ต้องอยู่ในโลงอย่างนั้นตลอดไปฉันอดรอบมองลอดพุ่มไม้ใบไม้สอดตาดูไม่ได้สมดังที่นึกคาดเดาล่วงหน้าคือเห็นคุณแม่น้องออดทำตาแดงๆปอกผลไม้อยู่ในชุดดำส่วนสามีของเธออธิบายมรณะศาสตร์ให้ลูกชายฟังด้วยสีหน้าเป็นปกติและสำหรับลูกชายก็แน่นอนว่าไม่มีอะไรอื่นใด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 บอกได้คำเดียวว่าทุกคำตามมากองกังวานในหัวไม่หาย